ท่านผู้ท่านผู้ฟังโปรดรับฟังต่อไปและอ่านต่อไปตอนหรือก็ขอตอบไม่เมื่อย แต่ว่าในฐานะที่หมดเวลาก็เลยเทวดาก็ต้องเมื่อยตอนนี้ในเมื่อ และนำให้ท่านมีความเข้า เป็นรู้ว่าธรรมธกรีเทพบุตรก็บอกว่าหลังจากที่ลงโปรดทรัพย์สินสมบัติที่เป็นที่ประสบวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทราบว่าเรามีบุญเล็กน้อยที่นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง ก็หาหมอก็กลัวเสียเงินมา บ้านมีหลัง 1 หลังใหญ่มีอาคาร 7 ชั้นจะมีบ้าน 3 คน แต่เวลานี้เหลือ 2 คนที่หลานรักเข็นมาก กรุณาความสงสารโหตุตาจิตอ่อนโยนเมตตาริษยาใครใครดี และทางด้านใต้ของบ้านจุดโน้นที่เป็นป่าทึบที่นั่น pega o l l a y t a d k m y a y a p d e o n s h a a y a a l o n y t h y a y o y o n y a t a n y a p a y a f y a t a y q a mu d e a n y a y q a y a y Bo l o n y t y u f a y y w a u n a y e a เอลานี้เป็นเทวดาแล้วเอลานี้เป็นหนังฟ้าแล้วก็เป็นว่า تعNever수 ก็เราต่อไปหลังจาก Wolverhambourneคนพ่อmachine appeal ยืนที่แตก spirit ขับปากลุ่มศบ ไอ้ท่านพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเห็นว่าเด็กได้เด็กหนุ่มคนนี้ไปไว้เป็นลูกแทนลูกที่ตายคง ลุงเล่าให้เพื่ออะไรลุงก็ตอบว่าเวลานี้ลูกชายของลุงตายครบ มี 80 โกดมีข้าทาสยิงชายหลายร้อยคนมีความสุขมาก ท่านก็เลยบอกว่าแล้วท่านลุงก็ถามว่า สวยสดงดงามมากแต่ยังไม่มีล้องดงามมากแต่ยังไม่มี <c oughs> จะต้องการล้อทองคําหรือต้องการก็ต้องการล้อแก้ว อันนี้ผมรถของผมมันสวยงามเป็นประเสริฐเป็นทองคําล้วนแต่สวยงามมากสิ่ง ถ้าได้พระอาทิตย์มาเป็นล้อข้างหนึ่งได้พระจันทร์มาเป็นล้อข้างหนึ่งอย่างนี้ คนที่ต้องการให้จันทราพระอาทิตย์มาแปรรอรถต้องการสิ่งที่เกินวิสัยที่มเตกุสันดรวฑฒกุลนฤแสดงเห็นว่าชาย นึงก็ตอบว่าเค้าตายไปแล้วลุงไม่ทราบชายคนนั้นก็บอกว่าคุณลุงครับบุคคลที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นกับคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นคนประเภทไหนบ้ามาก ภาพเวลานั้นท่านก็กลายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเคยบอกกับท่านพ่อว่าพ่อมี ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเพราะอาศัยบุญบารมีเล็กน้อยเพราะก็ถามว่าเจ้าบำเพ็ญกุศลอะไรถึงอยู่ท่านมัทธกุณฑลีภาพนั้นก็บอกว่าการที่ผมเป็น <c oughs> อาวนิศาพ...ความเป็น 프� gim 점ยังเป็นที่ขาดวดาไม่ได้มีสิทธิ์จะโลงรก แต่ว่าเท่าที่ผมได้มาウton Кол度นทรคตร เช่นนั้นณตอนนี้เตสวดบัด <c oughs> ถ้าตายจากความเป็นคน <c oughs> <c oughs> เป็นนั้นว่าเมื่อท่านคุณนลีแนะนําบิดาแล้วก็ห่อกลับอากาศจากอากาศของเครื่องอากาศกลับอีมานตามภาพนั้นนี่ต่อ วันนี้จะถ alloyพระตัหาย quasiประสามาณ astrology แม่บ้านก็ทำเวลานั้นข่าวเร็วมาก จึงได้ยินข่าวว่าพราหมณ์คนนี้จะ คิดว่าวันนี้เราต้องการจะ <c oughs> แต่ฤดาได้พลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยยกมือไหว้ พระอรหํเด็จพระจอมไตรว่าพระสมณโคดมท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศน์ปฏิบัติตามเทศน์ของท่าน คนที่ไม่ไม่เคยยกมือไหว้ทะถาคตไม่เคยใส่บาตรไม่ มีเครื่องทิศแต่ไม่มีแก้วมีแต่เป็นเป็นแต่ทองคํากับผ้าวิมาน ด้านหลังของพระองค์เป็นพระ 500 องค์เสดด้านหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามีพ่อของลงกับมนตรีประชาชน เมื่อ ngอย หน้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศน์โปรดเทศน์ในเรื่องมรณานุสติคือว่าไม่ลืมความตายการเวรวายแต่เกิดใน หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระอรหํโลกเชษฐ์และลุงก็กราบองค์สมเด็จจิตตมานครลากลับพิมานเมื่อลุง ทานหน่อยเดียวก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่มีวิมานทองคําเกลี้ยงมีต่างหูเกลี้ยง แต่ว่าตอนหลังเมื่อลุงเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปรากฏว่าวิมานเปลี่ยนทันที <ส Bluetooth. S 1> ของทรงปู่เองที่ทําที่เมืองมนุษย์ที่วัดท่าทรงเจออะไรมองแล้วก็คล้ายกันจริงๆ ก็ท่านมัททกุณฑลีก็บอกว่าลุงเป็นคนไม่ลงทุนเมื่อเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาโดยด้วยการไม่มีการลงทุนไม่เสียของที่ตอนเป็นพระโสดาบันนี้หลุงก็ไม่ต้องลงทุนเหมือนกันเพียงแค่ฟัง ถ้ามีความเมตตาปราณีเรียกปล่อยก็เทศน์พอเทศน์จบลุงก็เป็นพระโสดาบันระวิมันของลุงก็ดีเครื่องแต่งกายของโนรีก็เปลี่ยนแปลงไป จุไรก็บอกว่าถ้าไม่เหนื่อยหนูจะถามต่อไปได้มั้ยเจ้าเมื่อคุณลุงฟังเทศน์เจ้าพุทธเจ้า ก่อนจากวันนี้ไป 2500 ปีเศษ 100 ปีมนุษย์เป็น 1 วันของดาวดึงส์เมื่อ 2500 ปีก็ได้แค่ 25 วันจะอยู่ที่จะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ คุณลุงก็ตอบว่าไปแน่นอนนักหลาน 1 วันของเทวดาชั้นชั้นดาวดึงส์ 12 เดือน แล้วก็พันเจ้าคะเวลานี้คุณลุงเป็นพระอริยะเจ้าชั้นไหนปีแล้วเป็นพระโสดาบันตั้งหลังจากนั้นคุณลุง จากพระอรหันต์ จุลัยก็กล่าวว่าการฟังเทศน์ของกุลบุตรก็ดีเทวดาทั้งหลายก็ตามสําหรับเทวดาทั้งหลายหนูไม่สนไม่สนใจอยาก โน้ตดูตามลงดิพอท่านเป็นคุณอริยะที่ผู้ ก็บอกดูภาพศีลานดูภาพก่อนที่ เอาเขียนหนังสือไว้ชัดว่านี่โทษในการตีแมลงของมนตรีกุมารีเทพบุตรถ้าพ้นจาก ดูภาพสมัยเมื่อหนุ่มๆอายุ 12 13 ปีก็เริ่ม แต่ความพอของความต้องการของคนใครหลานใครก็ตามถ้าเป็นที่นั่นหมายความไม่รับครุญาติจาก เราก็ต้องมีโทษต้องไปสินผีนรกคือต้นอยู่แต่นอก คุมนั้นลุงต้องลงและคุมนี้ลุงตนก็ชี้ไปชี้มาหมดทุกขมค้อนเล่ายอยๆรวม เหตุใดบุญใดใดที่เราทําไว้จากการฟังเทศน์ก็ดีจากการปฏิบัติธรรมก็ตามจะมีโอกาสลบร้างหรือหนีบาปหนีพ้นไหมเวลานี้ก็ทราบแล้วการหนีบาปหนีพ้นแน่เพราะผลนั้นความเป็นพระโสดาบันก็ เทวดามากๆแท้เดชเทวดา ต่อไปศีล 5 ต้อง ผู้สาบราชก็ไม่จําเป็นต้องโกหกใครการดื่มสุรา คือนิพพิทาญาณเกิดขึ้นหลงมากมายความต้องการใดๆในอิสตรีเพศไม่มีพระกรรมฐานตั้งแต่ก่อนหน้าเวลานี้ที่เวลานี้และเวลาต่อไปก็ตามลุงเลิกความโกรธโทษใดๆจากความโกรธก็ไม่มีอรหันต์รักเวลานี้ก็ถึงจะหมดเวลาแล้วนั้นหลานนะกลับไปเมืองมนุษย์สักนิดนึง H漢 zekt er zijn waarddeen. to moet